ตอนที่หนึ่งร้อยแปห้าพ่อลูกแตกหักอาจารย์ขยับจับคู่มั่วซั่วสิคัสถ้าแฟนฉันได้ยินเขาเขาจะโกรธเอานะคะหลหวานทำหน้าจนใจหยวนเศร้าเหิงน่าขี้หึงจะตายไปฉันก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองเสี้ยเหล่าแบบมือถ้าแค่คําพูดแค่นี้ยังทนไม่ได้แฟนที่เธอหามาคนนี้ก็ใจแคบเกินไปแล้วเขาไม่ได้ใจแคบเขาแค่แคร์ฉันมากต่างหากหลหวานแก้ต่างให้พวกเธอสองคนเพิ่งคบกันได้ไม่นานไม่ใช่หรือตอนนี้เริ่มปกป้องซะแล้ว เสี้ยเหล่าเบ้ปากแม่หนูหลีฉันคิดเสมอว่าเธอไม่ใช่พวกคลั่งรักต่อให้ตอนนี้จะมีความรักแต่ก็ควรให้แพทย์แผนจีนมาเป็นอันดับหนึ่งเข้าใจไหมอย่าทําให้ฉันผิดหวังละ่ะอาจารย์วางใจได้ค่ะเรื่องงานกับพรอมรักไม่ได้ขัดแย้งกับหลีหวันรู้ดีว่าควรจัดการอย่างไรจริงด้วยเรื่องที่เธอเคยบอกว่าอยากสอบปริญญาโทฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาเธอไปเข้าสอบได้เลยส่วนจะสอบผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเธอเอง เสียเหล่ากล่าวเขาพอจะรู้ความสามารถของเด็กสาวคนนี้ดีทั้งจ้วงหยวนการสอบเข้ามัธยมปลายและจ้วงหยวนการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยการสอบครั้งนี้คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเธอหลิวันนพยักษหน้าเบาๆขอบคุณค่าอาจารย์ขอบคุณอะไรกันเรื่องที่ควรทําอยู่แล้วเสียเหล่าโบกมืออย่างไม่ใส่ใจถ้าอนาคตเธอรุ่งเรืองขึ้นเรือๆฉันก็มีแต่จะยินดีด้วยหลิวันรู้ดีว่าเสียเหล่าและศาสตราจารย์เจียงอาจารย์ทั้งสองท่านนี้คือผู้มีพระคุณ ที่อยากจะสั่งสอนและส่งเสริมเธออย่างจริงใจเธอทราบซึ้งใจยิ่งนักยวนจือหลางยังคงไม่ดีขึ้นยาที่กินครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยเมื่อพ่อของเขาประคองยาจีนมาให้อีกครั้งเขาไม่ยอมดื่มแม้แต่คําเดียวแถมยังปัดถ้วยยาในมือพ่อจนหกกระจายไปทั่วไม่กินวันๆเอาแต่ให้กินให้ของขมขมพวกนี้ไม่เห็นจะมีผลอะไรเลยชีวิตแบบนี้เมื่อไหร่จะจบสิ้นเสียทียวนจือหลางระเบิดอารมณ์ออกมาเอาออกไปแก ยวนชิงมองยาที่ตดอุตส่าห์เคี่ยวมาทั้งเช้าถูกลูกชายทำลายทิ้งเช่นนี้ก็พันโกรธ จ, จัดเขาเนื้อมือขึ้นแต่กลับไม่กล้าตบลงไปเมื่อนึกถึงสภาพของยวนจเหลางในตอนนี้ไม่ว่าใครมาเป็นเขาก็คงทำใจได้ยากพ่อหมอที่พ่อหามาให้มันสวัสด์ทั้งนั้นหาหมอที่ดีกว่านี้ให้ฉันหน่อยไม่ได้หรือไงยาแผนปัจจุบันก็กินแล้วยาจีนก็ดื่มแล้วทำไมยังไม่ได้ผลอีกทำไมยวนจเหลางทุกกำปั้นลงบนเตียงอย่างแรงหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงดวงตาฉายแววโกรธแค้นอย่างไม่ปิดบังเขาขบกราาาามมแนนนนนน่่่ฉฉัััจจะะหหลีห ตอนนี้ยังแต่ต้องนางไม่ได้หยวนชิงมีความคิดเดียวกับลูกชายแต่เขาต้องรักษาความเยือกเย็นไว้เพราะตอนนี้ยังทําอะไรนางไม่ได้จือหลางถ้าชาตินี้จะมีลูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่ายังมีพี่ใหญ่กับน้องสามของแกอยู่หรือถึงตอนนั้นค่อยให้พวกเขามีลูกเพิ่มอีกคนแล้วยกให้เป็นลูกบุญธรรของแกหยวนชิงเกลี้ยกล่อมเสียงเบาดีไหมพ่อพ่อคิดว่าสิ่งที่ฉันแคร์จริงๆคือเรื่องลูกหรือเรื่องจะมีลูกหรือไม่มีฉันไม่สนหรอก ย้นจือหลางตวาดด้วยความโมโหสิ่งที่ฉันแค่คือความสุขในฐานะผู้ชายของชั้นหายไปตลอดการต่างหากพ่อเองก็เป็นผู้ชายพ่อหน้าจะเข้าใจชั้นดีถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปคนข้างนอกจะไม่หัวเราะเยาะฉันหรือไงและฉันจะมีหน้าอยู่ต่อไปได้ยังไงสู้ตายไปเลยยังดีกว่าพอได้แล้วความอดทนของหยวนชิงมีขีดจำกัดเขาทำหน้าเย็นชาหลายวันมานี้ฉันอุตส่าห์คอยปฏิบัติแกอย่างดีอย่ามาได้ใจจะลามปามที่นี่ที่แกต้องกลายเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะความโง่ของแกเองหรือ กลางค่ำกลางคืนแอบเข้าไปในห้องของหลีหวานใครจะเชื่อว่าแกไม่มีเจตนาชั่วยวนจือหลางเบิกตากว้างคนอื่นไม่เชื่อฉันก็ช่างเถอะแต่ทําไมแม้แต่พ่อก็ไม่เชื่อฉันด้วยเขาเริ่มลนลานต่อให้ฉันมีความคิดแบบนั้นจริงฉันก็ไม่กล้าทําเรื่องแบบนั้นในบ้านหรอกฉันแค่วางแผนลับๆเท่านั้นแต่หลีหวานซ้อนแผนชัดๆนางวางแผนเล่นงานฉันกลับหยวนที่ไม่พูดอะไรเขาจ้องลูกชายอยู่พักหนึ่งก่อนจะกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาทางอื่นกันต่อไป พ่อมันไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆหรือยวนจือ้อหลางถามอย่างไม่ยอมแพ้อืม่มยวนชิงมองลูกชายด้วยสายตาที่รู้สึกผิดก่อนจะสายหน้าอีกครั้งไม่มีแล้วหลีหวานตั้งใจจะให้บทเรียนแก่แก่นางอาจจะมีวิธีรักษาแต่ฉันเคยไปพบนางเป็นการส่วนตัวแล้วแต่นางไม่ยินยอมจบสิ้นแล้วฉันจบสิ้นแล้วจริงๆยวนจือ้อหลางหลับตาลงด้วยความรู้สึกไร้เรี่ยวแรงเขาเพิ่งจะสัมผัสรสชาติของการเป็นผู้ชายได้ไม่กี่ครั้งก็ต้องมากลายเป็นคนพิการไปเสียแล้ว เอาเถอะเรื่องนี้จะไม่แพร่ออกไปพ่อจะจัดการให้เองยวนจือหลางไม่อยากพูดอะไรอีกตามใจเธอยังไงฉันก็ต้องฆ่าหลีหวานด้วยมือตัวเองให้ได้บางเรื่องต้องจัดการลับๆจะทำจงแจ้งให้ได้ยวนชิงเตินอีกครั้งฉันรู้ยวนจือหลางเข้าใจดีว่าการลงมือซึ่งน่าอาจไม่สำเร็จต้องใช้วิธีรอบวางแผนเท่านั้น ยวนเศร้าเหิงและหยวนเฟยพร้อมครอบครัวรวมสีคนย้ายออกจากบ้านเก่าอย่างเป็นทางการในตอนแรกท่านผู้เท่าหยวนและฮูยินเท่าหยวนต่างก็ไม่ยินยอมแต่ในเมื่อพวกเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วต่อให้พูดอย่างไรก็ไม่สามารถรั้งไว้ได้หยวนเฟยแตกหักกับพ่อแม่ของตนอย่างสิ้นเชิงสองผู้เท่าลำเอียงเกินไปเขาจะไม่ยอมทนเห็นลูกๆถูกครอบครัวของลูกชายคนที่สองวางแผนเล่นงานอีกต่อไปท่านผู้เท่าหยวนจนปัญญานั่นมันที่น้องแท้ๆของเจ้านะ อีกแกนฆ่ากับแม่ของเจ้าก็ยังไม่ตายเจ้ากลับพาคนย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแบบนี้ถ้าเรื่องแพร่ออกไปคนพายนอกจะมองตระกูลหยวนอย่างไรพวกเขาต้องคิดว่าในบ้านมีปัญหาและจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัททางอ้อมใครจะคิดอย่างไรก็ช่างเขาเถอดครับท่านพ่อลูกอยากย้ายออกไปตั้งนานแล้วหากในใจท่านยังมีลูกคนนี้อยู่ท่านคงไม่ยืนดูเจ้าสองวางแผนเล่นงานลูกแบบนี้ยวนเฟยตัดสินใจเด็ดขาดในครั้งนี้เรื่องอื่นลูกฟังท่านได้หมดแต่ยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเจ้า ท่านผู้เฒ่าหยวนทําอะไรไม่ได้ตอนนี้เขาเป็นเพียงคนแก่คนหนึ่งหากลูกชายไม่เชื่อฟังเขาก็ไม่มีวิธีจัดการเลยการกระทําของเจ้ามันคือความอกตันยูใช่ครับที่ผ่านมาลูกไม่ได้ทําหน้าที่พ่อที่ดีพอและยังไม่ใช่สามีที่ดีด้วยครั้งนี้ก็ขอให้ลูกได้เป็นลูกอกตันยูสักครั้งเถอะยวนเฟยยืนหยัดเคียงข้างครอบครัวเล็กๆของเขาอย่างมั่นคงท่านพ่อตอนนี้บริษัททั้งหมดอยู่ในความควบคุมของลูกแล้วหากท่านคิดจะเขี่ยลูกลงจากตําแหน่งเช่นนั้นเราพ่อลูกก็มาประลองฝีมือกันดูสักตั้ง ท่านผู้เฒ่าหยวนได้ยินประโยคนี้ก็แทบปรากเลือดด้วยความโกรธการต่อสู้ภายในมีแต่จะส่งผลเสียต่อการพัฒนาของบริษัทเขาเป็นคนที่คัดค้านการแข่งแย่งภายในอย่างที่สุดดังนั้นเขาจึงพยายามจัดการเรื่องราวในบริษัทให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เพื่อไม่ให้พี่น้องต้องมาเข็นฆ่ากันเองแต่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายทุกอย่างจะสวนทางกับความปรารถนาเรื่องราวกลับดําเนินไปในทิศทางที่เขาไม่อยากเห็นที่สุดท่านผู้เฒ่าหยวนขมวดคิ้วแน่น ดีเป็นลูกชายที่ดีที่ข้าเลี้ยงมาจริงๆรู้จักพูดจาข่มขู่ข้าเจ้าคงมั่นใจสินว่าข้าไม่กล้าเอาอนาคตของบริษัทมาเป็นเดิมพัน